ถรักษาศีลในเมืม่อเสมอกันกับเพื่อนพิกูุน์มเัยอื่นไม่ทําตัวให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นหกมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิกษุอื่นสมัยอื่นไม่วิวาดกับใครใครเพราะมีความเห็นผิดกันทํำหกอย่างนี้ทํารู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพราะความทะเลาะกันในกันเป็นไปเพราะความไม่วิวาดกันในกันเป็นไปเพราะความสามักีความเพียงเป็นหนึ่งอันเดียวกัน พ, พระพุทธเจ้าสอนในวัดแล้วท่าก็ต้องเหตุตามอนั้น มันทองได้ซื้อเก็รทองหรือเพชรพ่ อ, อ, อ, อ, อมันจะแมนมีในสารานิยธรรมสารานิยธรรมสารานิยธรรมในหกอย่างทําเป็นเครื่องให้ให้ความะระลึกถึงเรียกสารานิยธรรมหกอย่ามหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนทีธธรรม่มเอนทั้งต่อนนั้นและรับหลังคือช่วยคนขวายจุดต้นของเพื่อนกันด้วยพระยา ด้วยกายมีพยาบาลพ่สู่น์ไขเป็นต้นด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งวิจิกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสูจสามเองทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยคนขไข้จิตทุลักของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวตำสอนเป็นต้นสาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสูจน์สามเอง ทั้งต่อหน้าและหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันสี่เหล่ยปรนราบเทศตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิสุสามเณรไม่ห่วงในวรรพกคำพระโอเดียห้านักษาศินให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพิษุสามเณรอื่นไม่ทําตัวให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นหกมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิกสุสามเณรอื่นไม่วิวาดกับใครเพราะมีความเห็นเกิดกันทำหกอย่างนี้ทําอ้วนพื้ให้เป็นทีรักที่เคารพของคนอื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันนะกันเป็นไปเพื่อความความเทียงกันนะกันเป็นไปเพื่อความไม่ไมวาดกันนะกันเป็นไปเพื่อความคามเพียงเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างว่าแล้วเข้าสืบปฏิบัติบ่อหรือสืบปฏิบัติขันเดียวเนี่ยเข้ามาใ้ตองไปคืนยากได้เดียร์นี่ทบเข้าสิสอนกันยังไงสันบ่อเมื่อได้ขึ้นหยาพระพุทธเจ้าบอกไว้บัดแล้วแนวว่าท่านบอกว่มีจักแน่วบอกยากบอกก็ก็บอกแล้ว ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไมให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อารมิตสการห น, นักพระโพธิเกาอบอกบอกญาติโน้มน้าดเนียส่วนบอกพระคะแนนหนึ่งห้ามไม่กระทาความชั่วสองตั้งอยู่ในความดี สามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสี่ทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่ห้าบอกทางสวรรค์ให้สำหรับพระได้นั่นพระเจ้าสอนวันดหล่ะเข้าสีเด็กเปลือกก็คือเอียงง่ายเพื่อนสอนอย่งวัดหล่ะด้วยกา ย, ยาการรมคืออธรำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาทำในเมตตาปานี้ยืนจะทํากระซักกระเซื่อง กับพระเราผสมพวังขันด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาทีเรื่องความเป็นผู้ไมปิดประตูคือห้าไม้เข้าบ้านเรือนเพื่อนไปเป็นธ่าบาทก็จะไปปิดประตูปิดประตูนี่คือหมายความว่าไหนปิดไม่ปิดประตูทางกายไม่ปิดประตูทางวารการไม่ปิดประตูทางใจถ้าพวกมันเจ้าคัดข้องอะไรก็ผมก็จะช่วยเหลือเว่นไว้แต่ มันเหลือวิสัยฉันตัวบ๊อพิดประตูทั้งว่าจาเดี่บ๊อพิษประตูทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจคัดคล้องอะไรพระพู้เป็นเจ้ากระผงกระดีที่ฉันก็ะดีจะช่วยเหลือพระพู้เป็นเจ้าตามสติกำลังไม่้อยแต่ทิ้งที่เหลือวิสัยันตัวเดี๋ยวมาห้ามมาให้เข้าบ้านเรือนด้วไม่ปิดประตูคือห้ามมาให้เข้าบ้านเรือนนับแต่บิณนบาดเป็นต้นไป พระบุรมษาศาสนาสอนมดแล้วทรัพย์ในไตโรกธาตมันบอทอรับสมบัติของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของข้าวเวาแน่ไหวในพระไตปิฎกคบรบแล้วได้หางว่าใครไม่พูดออกมาว่าถ้าน้มซีอิ๊มันผเลื่อมซชกะมี่ทรัพย์พระพุทธศาสนา ซับได้ไหนเน่ยใโกธาตุบ่อทัพพระพุทธศาสนาอมิตรรับก็คือกันวัตถุในย่อมก็คือกันบ่อของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป๊เพ้งเลยรับภพ่ไนกับบ่อทอพระพุทธศาสนารับไายในคือมีสินหาสินแสสินสรอยยี่สิบเกตเป็นต้นมีท่านวัดศีลวัดข้าวนาวัดเป็นต้นอย่างว่าซับภพ่ใน่ซักคาควาเชื่อกลัวอายต่อบาปควากลัวต่อบาป เป็นคนได้เคยได้ยินได้ฟังเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญานี่ซับภายในจะปรึกษาสิ่งใดก็ใก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตัวนัผู้อื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตัวนัผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตัวนัผู้อื่นจะทําสิ่งนั้นก็ไม่ทําเพื่อจะเบียดเบียนตัวนัผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทํานี้ได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ทานโดยเคารพคือเพื่อแก่ความที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทําอาการบุญเที่ยงเสียคุ ข้าเมื่อวานสอนบ่มี้จักท้างเลยเมื่อเด้เปลืองความคืนเพิ่นสอนไปเื่อแล้วมีเหตุแห่มันถือตามตอสอนเพิ่นบอเพิ่นหละกเรื่องมัน่นทรัพย์ภายนอกของพระองค์เจ้าฮของพระพุทธศาสนามันหลายประยังเอา้าราคากุฏิหลังหนึ่ ง, ลงหงลังนึงดูทรัพย์ายนอกราคาสาราราคาพระพุทธโูกขอ้าเจดีตลอดเถอะ อมิตรชาตินมือนึงมือนึงพระพุทธเจ้าเลี้ยงเขาค้นมดหลายปันไี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลียงเขาอุบาทกอุบาสิกาผู้ที่เอาโรของพระพุทธเจ้ามานํามาถือนตลอดถึงพระเจ้าพระสง์เฮ้ามือนึงมือนึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อันในอมิตรสีมดจากลานนับเอาไว้วบอกสัตว์อรรดว่านี่เครื่องพิเศษไปเอ็กไงเครื่องกีว้อนกีว้อน นี่ออกมากบางรูปนี่นี่เต็มเ็มเท่านี้แหะทีละข่าวเท่าไดเนี่ยบริขานวังพระบินทบาทไงจะฆ่าบินทบาทอีกกันบินทะบาทก็หมายถึงกับด้วยหมายถึงเข่าด้วยหมายถึงอาหารทั้งทั้งทักหมดอ่ะเอามือหนึ่งสิมือหนึง่งสิมันร้ายนาไหนจะเอาโลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาให้กินเหน็นมั้ยเนาะนั่นัพยของพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นละ <S <S แล้วก็ อ๋อยาแพทยักดิ์ขันคือยารักษาโรคมือ น, นึ่งมือหนึ่งสียหลายปนันไอสำหรับเอาไว้หายพระหายแม่ค้าแม่ซี่ก็ดีเสนาชนะสำหรับหายพระอยู่สำหรับสําหรับหายมาแม่ค้าแม่ซี่อยู่หนึ่งคือกันหรือผู้ที่เอาโรคพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพู้ที่เส้นหาเส้แปลคือกันสีหลายปนันไออ๋อซับใตใโลกชาต่ มันมืนรัพย์ของพระพุทธศาสนาหมดเขาอกจั่งเอาโลดสมมุติ่ยพระโสดาบันเอพระโดาบันมีต่งมือต่างแสนต่างล้านราค้าพระโสดาวันเอาบาขาบางังรู้่าค้าองค์หนึ่งองค์นึงจิงขาได้บ่ะเต็มมเปน้าแผ่นดินน่ะราค้าบางังรูอ้อพระสัคขาข้ามีองค์หนึ่งองค์หนึ่ ง, ง, งล่าข้ายร่บนได พระอานาคม์องค์นึ dong, user, mustard, ührt, Russians, mm. ่งองค์นึ่งาร้ายป่านไี้พระรหัสองค์หนึ่งองค์นึ่งลาค่ารายป่านนี้พระปฏิเจกองค์นึงองค์นึ่งลาค่าร้ายปานไี้พระสัมมาทัตพุทธเจ้าองค์นึงองค์นึ่งละาร้ายป่านนี้ทำคำสอพระพุทธเจ้าละฆ่าร้ายป่านี้ที่เอายังมาซื่อมันยังสิท้องไม่ไตโลกรานี่จักพันจักมืนไปโลกราเกิดเกิมันกิด่คุมคาอยู่อ่างเจิตบุคคลผู้ถึงภายในผ่านไที่เอายังมาซื่อมันยังสิมันมันจังสิสวมชานะนั่นแหละทังสภาพนอกทังสภาใน ไอ้วางขันดอกวันไหนเปลี่ยนเลียนแ่บ้านไหก่อวนแก่ก็โก้ข้อเหตุใด้อเหตุลัทต้งต่างากันไปดบานี้มันพอเห็นมันเจ้าเจักลัทออีพอีเม่กูเอ้ยเห็นจะงงมหาพุทธตัวนั่น่นน่นนั่นนั่นน้อยบ่ก็ไข้บ่ก็ร้ายเป็นโทษเดี๋ยวกัดตัดกัตายตัวนีบู่ซาตัวนีบู่ซาพุทเจตัว้นบ พระพุทธศาส น, นาชัดแนตใจลกรทาเนเป็นเมืองเคิรของพระพุทธศาสนามื่ทุกข่าวอบูซาเมืนมุโต ว, ว่าอบูซาไห้มุตโตนั่นโศจหันทุกข่าว อ, อบูซ า, าเมัของมโต่นตหูตุมหาของมูโตว่นทุกข่าวอบูซาเมื่อทุกขา่าววเศษตระดาของพระอริยเจ้าอาจารยตลอดของทุข่าตลอดของ พ่อแมพี่น้องผู้กาตายายตลอดถึงของรัฐบาลทุกทุกรัฐบาลทั่วไตโรกท่านเนี่ยลูกาเอาบูษาพระทธาพระสงฆ์มัดเดียวเนี่ยมกเพีดฉันเพงน่ยางอยู่ึกเก่าเนยเข้ามาในประหลักเนี่ยผู้ใดบูษะก็เปลีนอางนอยู่าวอนละบอกเอาบุษะมัดเนีต้โรกท่านเนี่ยลดน้นงอกนี่เข้าบุษะมดทรัพย์สินอย่ประเทศมิกาเข้ากับบุษะมัดต้โกท่านจับเจ้าพุมรลกมาเข้าบูษพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มดแล้วเสมอเนี่ยแว่าฉันว่าผู้ใดว่าจะา อันนี้เจ้าเจ้าเข้าไปพิสราเป็นทวดอาณาเป็นปรารชิมันกับไม่เป็นปริญนะของเขากัย่งอยู่ขึ้เกาไมเข้ามาปรักหมเข้าโอ้ข้ากินข้ายอื่อว่าข้าว่าทั้งในจังก่าวองชาเน่เพราะคนรามาเป็นคูญาติก็เข้าในใจรสธาตุนั่นจะพบมารวมามาซัดในใในพบมารวมคนกับมามญาตินําเข้าเด้พระอรหันต์ทั้งหลายมากความเห็นแม่ช่านสอมหาสมุทรสีมหาสมุทรนพรพุทธเจ้าทั้งหลายก็เช่นกัน ถ้าปเจอทั้งหลกันเพมั ม, มเป็นคู ญ, ญาติกับเขาได้พัทิมแล้วพัิมแล้วก็นับูชาดิยังไงพัดกับบูซาพันธดินันกมืตกบูชากระย่ามอตัวเราบเขาบูชาผูา้ดเดียวนี่ัดิมาวาเขาพีคกือบบมีตแต่รางไใส่รอกคนหมายราษีสุ ข, ขาี่เสศ็จกับบมี่จมาปับเ ข, ข้าเข้าประดียรักดิเข้าบูชาซื้อแน่สับปะไทรสชาติเขาบูซาเม่อเข้าซือว่าพัดทิม์มื่ะ เือพลิส er? like the the ูงก็โตหว่เือว่าโตสูงซ้ำเพิ่นกัเื่อนวันเนาะวฉันว่าวันนี้ก็พ่ตอนนชื้อมันบสมบัติของเพิ่นมดนะเพิ่นว่างรอเพิ่นข่เอานี่เชือเปลนนำรเพิ่น่ไหนแม่นัแต่พ่อมาลงมานักเือเป็นนนาไรพระพุทธเจ้าเพิ่นมติจูเถือเป็นนาไรพระหันทังไรมติจูส่วนพระสดาบันจะกร่าข้ามี่อนาข้ามีเห็นยกไปที่คนอันนี้ทีมถึงพระละหันอันส่วนพระพุทธเจ้ากบพระหันบ่อกาวพระป่านไรกรุงธิมในแต้ สิโนวันว่ามันวัเที่ยงหลือไ้ว่างถิ่มวัดปลอยวัดบางสกุลมัดแตไม่แต่ห่อระยะกันอยู่นี่ไว่างฉันอดปมู่นหวอนอะมะอุ่งห่อพวกยมาโรกกันญาติย่างละเอียดก็นั่นพวกยุ้สวันกันญาติย่างละเอียดก็นั้นพวกยุ้สวรนกันญาติกันเลยสมอเนี่ยพระอินทร์ทำละพวกอยกู่เสมอโยอกไม่กไรนี่ขันมันเกิดจั่ใกล้หัทถบาทไปขะนั่งอยู่ยังสิเกิดจะตักไปกันเอาแหมไอ้สัตวปนว่า ขะนั้นองกหลายคนัง่จะปนญาติกันาันพอินขนวอยู่ในบ้านน่ะเมเกิดอยู่ในบริเวณนองไผ่น่ะจะคอยเอาอะนั่งนั่งใรอย่กันยังส่น่มุมัง่น่ะเมเกิดจะตักไผ่จเอานันนั่งิกันัง่เาะนันของทาันจะป็นญาติกันเพาะันสำกอยู่เสมอใวเะพอินน่ะนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเาพระอรหันต์ของเาน่ะบอแล้วเขามาณ่ทียงข่าไว้นางญาติทัพวกเจ้าไปแล้วกองนาไปก้อนน่ะ มอหในองหลังมือห่อเนี่มาตัวมาตัวอะรมันดีมงก้าหมาตัวข้าฮักกัแกลนออกก้อนแท้เจ้อ่าทออกเดินทางก้อนก็สร้างสินแหม่มาข้าฮักกันั้ง้คือกันนะผู้บวชก้อนาไดกัสร้างนแหม่มมีปัญญาผู้เขาบวชรุ่นเขาไปเป็นพระอรหันต์ก็มี่หรว่าในแลนออกก้อนบวอว่ารอันนี้กันนะ ข้าพระเจ้าพระเจ้าบัรถ้ำ ม, มาท่อนั้นข้าพเจ้าพระเจ้าบัรถ้ำ ม, มาท่า น, น, น, น, น, นี่ก็ท่อนั้นท่อนี่แตจริงยูเหรอวะเขามารุ่นเขาไปก่อนกับมี่เลยมองท่านน่ะโดนเป็นมดแดงเฝ้าบักง่วงอยู่หรอกันเดียวก็มาห่าฮักแลวันมาตัวได้ขาดเียวกระลนออกาาก้อนเพร่ะนั้ก็เชียบอะไรเนี่ยอยู่จนถึงข้ามาเลยอ่น้าโคบ้ า, บานเปิดขอบง้วออกไปฮะ งวดตัวได้ยกแปรประตูมันกัไปกคอนนสั่นคนว่าว่าแถวางน้องวนุ่ก็ตามเนอกระตามกัอนนั่นี่คือกันพูดได้สาร์หมดเลยแก่กมาเนี่มันก็บออกกรเลยวันถววนุ่มแหละมันอยู่ฝาประตูเลยประตูพระเนราณ์านเนอะว่ากันานายข้อบานมันไฟคุปปาคือสติปัญญานายข้อบาจรสิปัญญาของไฟของวันะมันเปิดประตูให้เจ้าของออกนี้จากโลก ไเคยได้ยินนอกมืตัวอันนูนี่วออกไปทัว่วตพัี่บาออนี่แหละอั น, อนวาเงทรัพย์มรกทางาเข้าบูชามดแล้วอันของประเทศอังกฤษก็สร้างของประเทศอเมริกาก็ตามของพวกมารก็าของลูกของพวกมาสร้างลูกของพวกมาสร้างของนาพุทธสวัสิ์เตก็ตามทั่วทั้งสรัพยรกธาตและทรัพนอกโลกและทรัพยจักรวาลเข้าออทุ่นถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมืองตลอดทั้งสกุร่างกายเข้าเข้าทุ่นถวายพระพุทธธรรมประสงค์ เป็นมนุษย์สมบ so. right yes. ัติสวรรค์สมบัต <aba> ิพุ่มสมบัติในผ่านสมบัติทั่วทั้งใต้โลกธาตุเข้าทุดนถอยบุษาวัดเข้าออกสั่เหจึงสั่งเข้าออกสิเข้าจึงบุปผาล่ะเข้าเปจึงสั่งนี่ีหัวใจเข้าเขาบุปผาจึงเียได้ย่าไงหัวใจเข้าเปจึงสั่งนียี่อ่ะนั่โมเปเพด้านเสาอยู่หันระบบยัตสุยัตสุถอยหรือเ่าไม่ได้เป็นเพดหรอกวาาไม่ื้อหอกเม่ซื้อหรอกก็ยาโพดไม่ได้เป็นเพดหอก ว่าอุซีรอกว่า้าอ่รอกาปลาามันในดีพราแห้งเลยสูงเลได้รักบุ้งผักชสมดีพระแ้งลสงเได้ที่เพิงดีพราแห้งเลยเดี๋ยวนี้เออได้พระบุ้งผักม่ำผสมมันสีเพิงก็พอใจเลยว่าเนี่เอาอันไหนว่าเป็นที่เพิงเลยล่ะเขาน้ำเนี่ยพวเอาที่เพิงเขาน้ากินกับม่ท้องคนเด้ชีวะยังไหสั่ใครชีวะมันกันงงหมด네ชีว่า็นุ่งกับแม่ท้องคนเด้อู้หูชีวะยังไหสั่เขาเล่นแก่นาซื้อเพิ่นเขาเอามาไห้ช่วะเลย พุิว uh, uh, so like so so so like ิหารบอว่าเหว่าุ่ิวิหารเพื่นนี่เขาเห็นแก่นาคาซื้อเพื่นเขาเอาาหไ่หหหมดนี่ก็มันฟเพื่มัดกัมันผัดลบเพื่นหมดเลมันผู้ขามันจะ h ấ y เอานะดินน้ไฟลบมันขงเพื่อนมดเนี่ยเราของสั่นเอารอดตสิม่อย่งก็มีตะกิเลตมาอาศัของเพื่อนอยู่สิว่าอยงไรที่สั่งนะนอ่า กโอคโอคะคือการพโอคะโอพะคะคือพบทิฏโขคะโอคะคือทิฏิอวิชโขคะโอคะคืออวิชชาอวิชชาแปลว่าโง่ดโง่ผ้าบริหารดูจักทุกโมโหจักเหี่ยเกิดทุกมโจักความรับทุกมจักทางดำน้อนี่ถึงความรับทุกก็งโง่ก็โง่ของมูเฮาทั้งหลายมูเฮาชนะงและเขาเข่าชูพระนิพพานอ่ะปฏ นี่นี้ยนงถือแพ่โง่ยถือแพร์กิเลสยุหน้าสางขาสองแขนสองมันหนึ่งยุงห่อผู้คนพ่นไปแล้วพระอรหันต์ผู้คนพ่นไปแล้วธรรมศากตร์คนไหนเงี้ยมากเพื่อหักเสียออกกูละผู้คนพ่นไปแล้วเพาะปัญวานี่ยกินลาบขี้แก่โป้วว่าเพราะปัญญาวางกันอ่ะเพราะอยากกินทอดขี้แค่โป้วว่าเพราะปัญวากันผู้คนพ่นไปแล้วว่าธรรมาสาก์่ะมันเป็นทุกข์ัน เป็นยัเพิ่งกับว่าสะอ่อนทุกค น, นไปหอหมู่ห้องนี่สะ อ, อ, อ่อนเนี่ยอ้ขึสห้างี่มิไปท่นานาย่าั่นย่างนี่มันวันมร้งู้อะเจาออกมานอกกับว่าอะไรพญาเขปุ่นถึงตลักเพื่อนม่น่บอกย่างเขารักไรอขหรักยกักถอนหอขันมุมมิงกับพญ่ามัอนกมีไม่เน็งยากผู้พัดเศ ร, เศร้ายาก้วก็มีพระอัจะพวกเดียวเราไปวัดเดอ มูเขาย่างเดเข้าใจว่าเป็นของโจรของเป็นของอันอือนน่นหมดน้ำลายพระพุทธเจ้าตัวในไตรลกถาดน้ำลายพระธรรมเจ้าน้ำลายพระอาริยสงฆ์เจ้าตัวนับจะพุทธมรรคลงมานับจะอรุก็พมรลงมา่ยเพิ่งมวนทิมแล้วรแล้วลมูเขาเลยปเล่มเลียกินตตัวผู้ชิเล่มเลียพระมรลกได้ก็ต้องติดยั่ไงปัต้องปัมมาสาร้าผู้ชิเล่มเลี่ยงในพระในพ้าในก่อนผู้ชี้แปดจูพระในผ้าในก่น ระงับส right? ังขารสังขวงเพราะงี้ดีไหนสังขวังในแตโูปธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเลยเพราะงี้ดีไหนสิงดีไหนข้อพิจารณาขัดแล้วมีแ่เนี้บวมันบ่เที่ยงมีแต่เนี้ยภาอาศัยได้นหมฮะเออมีแ่เนี้ยภิีอุ่นใจมีแ่เนวบมันบเียงมีแต่เน้เกิดขึ้นแล้วกระดับไปเห็นอยู่แปรปรวนแลวแรสลายเห็นอยู่ทั้งขั้นความกำลังลมหายใจเขาออกความกำกับการคิดความกำลับทุกสิ่งทุกอย่างม่นไม่ซ่อนเร้นไว้เกิดแต่เก เกิดขึ้นมาแล้วเกิดยางพืงพ้น้ายแปะปวน ย, ยางุื้นสายดับไปยางพืงพ้นสายหาอยหรอกก็ไม่ได้ติดกันเป็นพืชอยู่ทังสัน่นมือทำคนเห็นทังสั่งเ่มีก็่เนขึ้นมันก็ว่าสงสงัสยรอดทัง ป, ป, ปงวปงมันกรไปทั้นตัวไปขงหลังเมื่อแล้วลังเึ้ื่อมาทางง่านเลยขรามข้มหลงจาของไปท่นที่มูหาไปทังจาาา้ามือหานขรามเลยเพราะมูอห้าก็บว่าท่านเนี่พี่กับหน้าครับพี่กับหน้ายังว่าท่านกับว้หลงข้อหลงมาหลายกวข้อพี่กัหน้ามันก็เลยหลงมมืห้า มูฮั่วพี่ก็น่าจะม้วนเว้นเค้ืนมู่ากับไปเือกันเแล้วหนูมเฮั่พี่ก็น้อยมันว่าท่านก็ควมหลงควมหลงผนหลงหลายกว่านั้นว่า่านคือมันมืดหลายหนไม่แก้งน่อยเห็นไหนไเห็นตงว่าานบอเออมันหิว่ิเขาน้อยอยกับพันธมทีเพรเป็นตะปักแตงกะจานี่ว่าุกกับว่าซุกสิดิบกับ่าริบเพรกัดปานดีๆเนี่ยมูฮัันเป็นแคก้อนเด็กจะข้ามได้ว่าตาสงสารนี่ หลายกนมัวนี่ก็บอหลายกระซ้ามาหลายคนก็ย่นลงมาเป็นธาตุดินอันเดี้วกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่กันย่นลงมาเป็นท้าดีได้ดีั่วได้ท่ากันย่นมาเป็นลูกขันน้าขันคือกันีหลายคนมันไดก็สร้างน่หลายคนนี่ิบล้านสิล้านนี่ก็ตามเกิดเกิมาแล้วก็แต่สลายมั้่ที่ิมซากไว้นี่แพ่นดีเนี่มูเฮ้าเนี่ย่ได้เอาไปน้าได้หรอเออต้คิดใจเไปห้องมันไรคิดสูงกับไปสูงไรคิดต่าก็ไปต่า ไอ้พวมีเกล็ดเขาสูมใพขัม่หอจไปหาคาสอนไหนทไปหาอาจารย์องค์ไหนมาสอนมันจังสิดีท่อพระพุทธเจ้ามันจะเป็นกบเลืองนเน่โม่หออย่าให้เป็นกบเลืองไน่แต่ไน่ดีพ่อแห้นพูดไน่ถ้ำนสงสอนกบท่านเนี่ย ไม่แต่โลกธาตุทุกทุกสมัยอันไดนท่มาท่านเขาพประทับประสงค์เออสร้างนอแท้พี่น้องเอเออบุญมันเป็นตัวยังไงบาปมันเป็นตัวยังไงเพราะว่ากับบุนก็ไปตตั้งหัวดำขอดกิวหลงเป็นพองสน้อกเป็นเอ็นคือมือห้าวอย่างเดียวตับาปคือกไกแม่มห้านี่ยแต่มันเป็นบาปมเมันเป็นบุญมันก็เป็นบุญัเป็นบุญมาที่ก่เป็นบาปมาทีก่บุญเป็นตัวยังไงกูก็เห็นมันเป็นตวมาไอ ขาว่าคว่าตุ่มบาปไม่เป็นตัวยังไงก็โตจังถือกอนขายอยู่น่เนี่ยเ็ตัวยังแต่ว่าเป็นตบาปว่ตัวบุญมันเป็นยังไงกตนกตัวายตัวไหท่านรักษาศีลภาวนาอนีนี่ครับนั่งต้องทตัวบุญนะในครับตัวบาปไม่เป็นตัวยังไงเนี่ยแตยุ่งไคุกกันได้ตัวบาปเดี๋ยวทูบ่เมียสดที่คุกกับม่ได้ปนั่ก็คยค่อยเป็นเว้นไผเผาจะสักก้อนหนเนี่ยันีว่างนี่ยฮัน เค่หาเหลี่ยหาเล่าใเขาสักรเขาก็มาหาเหลี่ยหาเล่าด้ตัวตัวก็ได้เขาคุกคือกันหนักว่าสังม่นบุบบผิดกคนคนบอผิดเขาคุกก็ไม่แนั่งแม่นแล้วเคยเป็นเว่นเป็นไผ่ของเขาสักร้องหว่าสันักสมเคยเดเป็นเว่นเป็นไผ่ของเขาจนสักร้อก็ก็คู่เยาว์ก็ููโจรก็จำเลยกก็ไม่ได้เป็นจะว่างไรกันนักนัสิีไปไหมวยวันดีได้แบบ เอาไปแล้วออกไปแกกันแล้วบอฝันนี่นี่แกออนนอไปเริกันบ่ละเฮ้ยเอไป เ, ไเสิกันบ่ละเฮ้ยเสรกันสีรเตทุกขังกินคนเดียวเป็นทุกพระพุทธเจ้านะนกาสีราพเตทุกขังกินคนเดียวเป็นทุกผู้ใดเห็นแขกมา เวลาขาดอาหารไม่ร้องเรียกให้แขกมากินอาหารด้วยผู้นั้นเกิดมาในพบใดข้าใดเป็นคนอดคนอยากพระพุทธเจ้าว่าอาชาในมันต้องดูหมูเสียก่อนว่าอาชาในถ้าหมูไม่ได้กินมันก็ไม่ยอมกินพระพุทธเจ้ากันว่าเรียกคำว่ า, าอาชาใน วัวโม่หา้าวอัเนี้นะว่าจะใสู่เต็มใส่มั่งยาหัวมันงแม่หม <laughs> ้อ่อนพระที่เจ้าสอนไหบ่มดเนี่ยแนมแนาเจ้าว่าดีสอนเอามาเม่เลยจะเป็นวาสนาหลายตัวโม่หา้าวพระองค์เจ้าเป็นแพร่เมตตาเอาเป็นสางบรารมีมาก ซี่สองขายแสนมหากรับทนจักรแมมาเป็นมาโพธเจาจักรแม่มาเทศเอาหมูเห้าเป็นศาสตร์ขัสัมมโพธิเจ้าไปคนเดียวเปรียวกายาแต่ว่าขันตัพสรูนอนพืเดียวไปพืเดียวสันเข่าแน่บาทมีแกนเขากระเทศแคหันมีปนเขากับเทศเขากัเทศแ่หัน เขาบ่าได้ไีมถุงย่างเขายังเข้าเสมอเลยเน่ถุงผ้าจะตงได้พระองค์เจ้ากระซงได้โตกะ ว, วังสิรอซัดออกจากวัฏรงสารนะโตกะสีมาล่างเกียรทั้งสี่มั น, นะนก็จะเป็นเอามอสอนจะของโตเป็นซาดกระซัตต์โตกะละาราวาดมาแล้วเน้โตทีได้สำรับขับเขามาทใส่เนะ่พระองค์เจ้าสอนจะของตกะ ว, วังสิรอซัดออกจากวัฏรงสารนะได้เี่ยเดยวยุนแ้ทองของโตเนะ่ย แต่แห้งวักูรหลายคนนี่ตัวอะไรท่านตัวตยำเข้าไปกับในป่าของตัวขาวออกมาเองมึงรู้ตัวจะกินได้บอกว่าท่นตัวกืนเข้าไปเนี่ยมันก็ไปขังไว้เ น, นี่ยกระพาะแต่ ต, าาแตัวห้ากออกมาเองรตัวจะกินได้วะท่า น, นว่นวานพระองค์เจ้าสอนจากของเราเลยก็ลเลยกินได้อันนี้สมเทพยก็น่าถึงแวมันแสบปนันงมาท่นไม่รดแสบปนั๊งมาท่านไปทั่วคุๆๆๆๆๆๆว้มค้นคุ้มผมม่านพระองค์เจ้าบวชมาก ที่แรกหาวันว่าไปบินทบาทอีม่มไรอิมใจเแล้นออกจากข้าราชมาเนะ่ะเนี่ยออกจากเป็นราชสัมหาร์มาเนะี่ยอิมใจดิมาท่านเนีน่ยมาท่านไอ้พ้าที่เราอิมใจคือบ่าเนี่ยว่าไปบินทบาทบ่ฉันอาหารหามือหมูห้าเนี่ยมันไกลกันก็เพื่อนไผบวชเขามาอะไรางเงี้ยตายแคเขา่า รักษาเส้นแปดกระหิวกินสองเถอะไม่ควรทำบาปในเวลาในการกินว่าจะได้ไหนว่าเนกาสีรพเต ท, ทุกขังกินคนเดียวเป็นทุกฤทุกเมื่อพระอรุเวลาพ ร, รถถะอนุทธะเวลาเพิ่นสั่งอาหารอยู่มีคนมากหาเพิ่น มาคุยมาบอกับเคื่อนกรณีหรือกายไปกายขับเอาขเคิ่นก็ณีมันต้องแบ่อาหารไห้ไงพระอนรัมีปัญหาสวดข่าว่าให้เจ้าไปนั่งสันอยู่คนท่าไปกรุงเทพอยู่เจ้าชนะเอาให้เขาปฏิว่าบ่ก็เพราะมายป้อนหนอกมายจะนสถานทีของเพื่อนนั่นว่าหมายสถานทีของเพื่อนดูที่เพื่นดูเป็นวัดของเพื่อนมี่ผู้กายไปกายมา เพิ่อาให้กินนะพระ้ได้เจ้าทรงสารเสริญว่าเป็นผู้เมตตาทิพย์อะนะตาทิพย์เป็นทั้งสั่งหน่อยตาทิพย์ผู้ห้องเนี่ยอยากเขียนเที่ยวุ้ยเที่วดาเลยเที่ยวุ้เทีว่ทวดากผู้ใจบุญนั่นแหละผู้ได้ใจบุญกันนบกมันเที่ยวดาผู้ได้ใจบาปกับมันม่านนั่นแหละสางหอ้องแท้ย่ำไดเห้อใจึ้นไปแน่บาปก็เป็นม่านกับเป็นพระพ่ออะ เทาทีไปหาใสหาเบิกน้ำห่าวางหมดงามไหเข้ามีเมตตาการุณาแง่หย้านั้ น, นเป็นพุ่มเท่าจะ่ไปหาพุ่มเชนาอย่างไรพุ่มชีนาเนี่ยไหมก็วัอย่างไหนานึงน่ะมีเมตตาคิดสงสารปาสหาจะให้เป็นสุขจิตขณะจิตหนึ่งคณะจิตหนึ่งกับกรุณาคือสงสารใอ้พนช่วยพนทุกข์นีนน่พุ่มในมานึงอีกแหละนานองคิดของใจ พุมอย่างนานึงรมือชีตาพ่อยึนดีมือพูอึ้นได้ดีมืออึ้นพูอึ้นได้ดีนะทั้งที่ชอบกัอบบอยากกับอ บ, บ, อบอยอยากกบอยามเรียกว่าพ่มเรียกว่าพุ่มสามนาละฮะยัางอีกนานึานงับเนี่ยนาล้นนี่ไม้ก็มานี่คืออุเบกขาโอ้ยมันเหลือลพิเศษแล้วทุ่ขาก็ซอยก็ได้แล้วท่านทุกขากรซอยก็ได้เหลือพิสศษแล้วเลือกำลังเลย อ, อ, อ่ะกำหม่องไปออกมาเนาะนี่เรียกวอุเบกขาเนี่ย บียดขาก็อมายหานไปยู่วันหอยทรายนั่งรถกูมาหานยินมเสียงมูกินเสียบอย่งกยัยิ่งไปไปไปซอยนันนอยซัขัันเป็นตะตายเดียวกันนี่ก็เป็ซอยเด้ยวกันไ่เป็นตะตายม้าว่างฟ้ซัเข้าได้ยินี่ยเาไปหหวตาบอดได้ไหมซังวาซอย้ซอย่มันวางซัได้ซั พลคก้อนมันว่าจับให้มันยันให้ขาดใช่าหมตัดให้มันยันให้ขาดไมมันจังเป็นกลางใช่มมันไม่มอันนั้นก่อนผ้าไปซือเพนวาซืรถ่มาหาเขากระชว่าได้เป็นเว้เป็นไพ่กันสันตัวะ่เขาได้กินกันบงลูเขาก็จะเป็นเว้เป็นไพ่ถัเนไรใชว่าคาว่าสิตายแล้วคำวังแล้วก็เป็นเรื่องนึ่งเขากับว่าเขาเบียดขาเขาอไรกันนีปัญหาส่นคำว่าว่าสัตวกับ สมันบวชนี่ยังไปเที่ยวหาหระทลายงู ก, กินเขียดออ ก, กไปยังปัจจุบจันสันปอเห้วว่ากันนี่มันเห็นอยู่ซึ่งนาเฮ้วาว่าสันปวันวา่า <c oughs> ไม่บอกรักวัดเนี่ยตัวบางคนทิฏฐีหลายวาันเนอตังคนทิฏฐีหลายวาันไมบอกรักตัวว ah, ดดัดท่องพระอาจารย์มาหาสันปวันหงูมาหาที่เกเอินพระอาจารย์สันปวัคอย้านกัน ขอนอยวัเช <ider> <laughs> ียันนึ่งยเพื่อนว่าวัชียสอบภาพแตกขอน่อยว่ากินอิ่มก็บมิตรขี่ข้าวาน้อลักขอน่อยมันจิแตกยันไหมท่นโอ้ยพวกทิศถิมาลลายมันกับวัชชอแล้ววะท่านกันทันวัชชะทอง้าพแตกท่านกับวัชชะสุพพุทธท่นินทรสูบที่ของอัดยกฝักยกฝังเอามังกรแพ่นอินทรสูที่กาลักกเป็นนันตี่เพ่นว่า ถ้าเทวทัพแทนอินทร์สูบท่านก็สีว่าเสื้อันตี่า่านอันนั้นตอนนี้กำหามันมาตฆ่าขามันดาพีฆ่าขามดามันท่านกับวัชชะขึ้กันแล่ว่าท่นในโลกเนี่ยมันก็ไม่วัศมีแน่ว่าท่ับแน่ว่าเนี่ยมเคยไม่มันก็ไม่ตัวท่านมาถ้าเห็นในหนังสือพิมพ์ได้รับปีเราค้นออกมาออกติดกันออกมาได้ระถาะสองคนโอ้จังขอยอเวัชชะก็ไปเห็นอันบักหนึ่งยุ่งอุดร จะไปฆราวาสเนีะเชี่ยวเชี่ยวน ก, กุธิพ้ามึงกุฏิพ้ามึงปเบงคนเป็นว่วงชางมึงที่ไปว่าพักเที่ยงนี่ไปเพราะว่าท่านพักเที่ยงเฮ็ดงานเนี่ยนะท่านใส่อะนอยุคผ ม, มทหารนะ่านน้องควงอันจะเข้าไปนี่กระทัท่งซีกิโลท่านล่าไล่กุลีท่าน เพิ่นกเกษตอนุญาตให้ไปดรอกว่าท่นเข้ า, า, าไปได้ไปสักเท่าเดียวว่าท่น้าเข้ากับ้าพรท่านเที่ยงว่าท่านไปกำป้าหั บ, บท่านเที่ยงฝ่าไปไว้ไปไปกาแฟรอนเหมัมึงซื้ อ, อยาซ่องซ่องหนึงน่งเนอว่าท่นซื้ อ, อยาซ่องคันมึงมาซื้อพซ่องมึงซื้อจักมมวนสองมอนนวนนะเหรอให้มึงไปต่อเถ่ะมึงจะไเลี้ยบบึง มึงจะไปเลียบบางนามันแนยมันสั่มันเลี้ยบบางนามันมึงมึง เ, น, เน่มันมึงกับทับทาฉีดกาแฟให้มันสูบยาในเดให้มันอนะ่ะมึงคอยจะต่อคอยจะต่อให้มันสังมึงกัฉีดหนึ่งมึงต่อให้มันอมึงจะเห็นตัวต่ะสันจะเห็นจะเห็นไอ้เป็นง่วงออกคา้างใช่หรอออกคางใช่หรอเป็นง่วงออกเจ้าไม่ไก่ง่วงสั่งใชสูบยาก็เป็น โตรกัคือเห็นว่าโอ้ยเกตรกรนาจะเป็น น, า, า, น า, ายคนสรางหอแต่คเห็นเขาใส่หมอสักนะกว่าคือไายอันลี้ได้าคืนเรื่องนั้นก็เลยเสื้อําของสัตว์ท้งายมันเป็นต่า ง, างกันเลยฮะตเห็ดเนี่ยพอดีตัวก็เห็นอยู่อันนี้มันเสื้ออยู่ค่ะเนี่ยนี่ยอะไรตัวเห็ดดีตัวก็เห็นกับศาสตร์่ะเนี่ยนี่ยรตัวเหด็ดอดีตัวก็เห็นกับศาสตเขา่ามาค่เห็ดนั่นเอาง่ายในอุต่าห์ที่จะหาปีหรือเปีแปปีเนี่ยเน่อดีเห็นมดเล แสดงออกมาบักว่าเห็นเห็นเดียก็เห็นมาบักอันสร้าคออ์กันมาต่างกอนหมมันมองเห็นกศาสตนี้กับพอ่อแหละจึงเสื่อมกรรมและผลของกรรมกรรมและผลของ ก, กรรมเหมนพระพุทธศาสนาเอามาไว้แล้วกรรมและผลของกรรมไม่ักดีเด่นแล้วพระพุทธศาสนาอันทําดีใดดีทํางช่วได้ช่วยนั่นต้อมีเอ ท้าทำดีสี่ตายสามาได้ส่วนเขาสั่งจะสกปรกเขาเคยเป็นเวททุกขบเขาเหมืนก็มี่น่มันเป็นเรงสั่งว่าก็ไปเวทกุศลเหมือนกัมีมันเป็นรงสั่งหรือมันยังมาท่านให้ผลอันอื่นมันให้ผลหรือมันก็ให้ผลว่าท่านให้ก็มี่คือคนเป็นนีนัยน้ายเน่ยวาให้กูสกปรกตัวเข้านี่มึงหารุ่นมึงจะเก่า่าสั่นเรื่องสัก็มี่ได้เนี่ยมันตามว่าทุกชัตทุกภพเชื่อกแลังผลของกรรมกับเสืยอพุทธพระธรรมพรมข้อมาอันเดียวกัน กับเสือกุฏศาามีความหมายอาพบสามกามาพบพบสามูมสีกรมมาพบลูประพบรูประพบการนับแน่กรรมเรียกว่ากรมมาพบการนับในู่กเรลูปรพบการนับแนู่กเรียกว่าูประพบยินดีแน่กามมาพบ ก็คือยินดีในสวงสวรรค์ก็เดี๋ยวว่ายินดีในกรรมมาพบยินดีในะลูกระพบก็คือสว่งสวรรค์พระมารกยินดีในะอรูปมาพบก็คืออร่าดาบดุยุตธกาดาบดอันนี้สงฆ์พรวนาแล้วตายาา 8, ท่าันกับเกิด8ปดหมื่ทีพันขับกามมาพบลูกมาพบอรูปมาพบว่บาสามารถถึงเขาสู้พระเนปาลได้แต่เป็นนิ้ัย้ได้อยู่จะไปสวรรค์ปเทศโุรกพระมารุกได้อยู่ ว่าสามารถขา่าวภูเาเนได้การมาพบลูปมพอรูปมาพบน่ยฆ่าอยอะนี่กรารมามพบกับกามาตันหาการเนี่ยเธอะยอะเธอญาติในกรรมเนกว่วากามาตันหานทธอเยอะเาติในภพเนีย่ยภพนายเยาะะนีขาภวะกันเรียกวกับภาะวะตันหานรล่าเกียดเบียดสีจนถึงกับปล่อยเว่นเช่อแสงเนี่ยก็วิภาว ะ, วะตันหา หากลูกนี่เหมือนเสือกผูกข้อหักว่านี้เหมือนปอกผูกศอกหากวัตถุเขาขอเหมือนปอกใส้ตีนตัณหาสามอันเนี่ยมาเขียนผูไหวในวัฏจักรสงสาร <c oughs> เหมือนนักฟ้าเที่ยวเทศเขาสู้เขตส้มฤตที่เขาส่ดีเข่นขาดก็าอาจรับคนที่ขนังท่วงเหตุ น, นั่นเท่าจึงหายสองุ ม, มารทั้งคููลูกแก้วยูกับตนเป็นท่านแก่พระมารอาจารย์ผู้เฒ่า อันผลขวายเต่าเขามาแต่วันวันนี้แล้วก็ฟพีแล้าน่าหน้ามาที่ยวไอ้เจ้าจงไหยดีใจดีจังเก่าจงอนุโมทนาสาธุการเ้าว่ารั์หน้ามาที่ยวก็เลยอนุโมทนาสาธุการแท่นดินดานไว้วันเสียงฉนันหอกโคกเข่งน้าสมุติกอดีนอกพ้องฟานัานพันปารธนาพระพุทธเจ้าร้งทุนหลายมูอเท้าวได้ปารถนาฉนันเท้าเขากไม่ร้องทุนหลายเลยงานพันปารธนาพระพุทธเจ้า เป็นของโกทุนหลายทั้งขัวทั้งขยนบัตรฮ า, า, า, า, า, า, ท, าทั้งาาาศาสตร์เขาสู้คณพากลับไปพร้อมกันถ้ อ, องซองเท่านี้พระมหากษัปรพะอมุนกำนังพัฒนาประกาศพิรานี้เมุนวกพระอกลับไปน้ากันรองซองเอาโลดกันทัพบาปกลไปบาปน้ากันรองซองาทบุญกลไปบุญน้ากันรองซองเขาสูคนพาพร้อมกันนั่นแหละ ผู้คิดสูงใจสูงเป็นอังจังโรยินดีในโลกทั้งภวังของโลกทั้งภวังมันเป็นของประมันวัเทียรมันเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นผลลัพธ์มันบุยอะในวงแขนของผู้ไหมันเกิดไปตามอํานาจของทังขานทั้งหลายมันเกิดเกิดยางพึงผายมันแปรป่วนยางพึงผายมันรับไปยางพึงผายแต่ว่ามันเปลี่ยนยุ่งซีแล้วเขาเสมาหลงยุ่งซีมันเสียได้ปน ก็เลยว่าเงี้ยดีเพราะวันอยู่วุ้มีเท่านีพน้พระเนี่ยผานเป็นของว่เกิดว่ารับจักรเทื่อไปพุ้นไปอังมาสั่นผู้บาลมีแกข่าวมาแล้วว่าก็บไปอยู่แล้วก็ไปแล้วผู้บาลมียังอ้อนยู่กับข้างเล ม, มนะมรดโลกเทวโลกพุทธโลกไปแล้วกนก็กกดีก็ไปข้างอยู่บนโลกมันเดียวเออเราเห็นโลกผู้สาวประอออเทศเอ่ะเฮ้ยท่านดีลูกหลานเหนอยทำมันมาผล กับพอคมันเป็นนิสัยไปแล้วก็เอว่างฝ่าอยล็อกฟัเสาไม่ไ <Teach> ด <Him> ้บอกยาวบอกซั Godzilla, <the er> the er <scary> ้นเลยเหว่างฝ่าจอยล็อกฟัเสาผ่เคยร็อกฟัววันล็อกฟัววันเนี่เอาไอียเี่ยล็อกฟัววันล็อกฟมาเทศตึ๊กฟึ๊กตึ๊กิงปฏิบติบวชมาเหรียญบวชสัวตพันวาบวชว่าทายซื้อทายเสียงบพ่อยเขาเเอไอนที่จะเสียงบอนะฮะ บทนี้สงสารบททานเข้าสุบทบทสนุกสบายบอกว่าบทเรื่องชื่อเรื่อบอกถามตัวเจ้าของมันละบอกอะอันใดเกิดขึ้นว่าเื่าไหเท่าพี่หนาพี่บอลเพิงก็ได้เทานี่บเิง่ไมเพิงพ่งเกิงตีเกียรติหนี่ ก็ต้องหงจจับของอะบอสตวรวจก็เพื่ออย่างก็ต้องให้หว ง, งจ้างับของงานนี้วามือเทกันปฏิบัติเมื่อเทศาสงาอยู่ดเนี่ยปฏิบัติเพื่ อ, อย่างอก็ตอบจักของอะไรบ้ได้นี่ข้อหมายยังไงนะตอบจักของอะไรบ้าได้ื่อนตอบใคได้หร เถือบ้างว่าเถื่อบ้างเสื้อคลักกระบะเสื้อพระพุทธศาสนาเหะนีไหมเสื้อพ่เห็นไถ่ว่เสื้ อ, ะะ อ, อพ่อเห็นได่ถามเจ้าของบึงเสื้อพ่อเห็นว่าหายเกียบทุกคนไงก็โตกับพี่แกหน้าเบิ่งแล้วภูไถ่หลวงละเมิดศิลธรรมของพระองค์เจ้าคือโบเห็นจเจริญจกคนนี่เสื้อบรนษณีนี่ พ่อได้เป็นนักเลงหญิง น, นักเลงโซน่านักเลงเลียงการพานันก็คือว่าก็คือว่าพ่อปไหนายได้กี่ได้ปน่นเขาก็ว่าได้ อ, นอะนะแต่หากมาพ่นตัดข้อแน่ได้ของมาบอเบริสุดได้ของมาบอเบริสุด ปานนั้นมันกยังบวมบถอยู่วี่ามาในถ้าบสุทิ์เท็จยังไรฮยังจเป็นที่สบาเข้าหาข้มสุขเข้าหามสุขเข้ากมาหาขอมุขมาใส่รของให้ยังนี่ปัญหามันแต่เราว่าหา้มสุขาหามุขมาใส่จของอ่าสากของคนหอาพบอุปรรค จังาาไม่บัญ่าเลยมันเป็นคู่ทั้งทั้งผิดมันเป็นคู่ทั้งทั้งถือท้างไหนผิดก็สะได้จำไว้สะได้เอาไปนัาจานทั้งไหนถือกสได้จำไว้เอาไปนันการากระของ้ะพูดสิแค่ถือแค่ิดพุทโธอยู่ที่ใจทัรมโมอยู่ที่ใจสังโูอยู่ที่ใจธาตุศีลภาว น, นาอยู่ที่ใจ เฮ็ดไปแล้วอยูใจัดก็จะไปยูียนาอากาศก็อื่นเลยควบดีควบชั่วก็คือกันเฮ้เสียบ้ี่ฮงจักเข้าเขาเฮ็ดยังเขาสีบ้าเฮจักเาเฮ็ดดีเข้าสีบ้าเฮจักเข้าเฮงจักดีังไงเาบดีเลยเขาเฮจักชัวเขาจังไรเสเป็นคัวได้กันโอ้ันอ่ะแต่เฮจักกมันชัวนะเขาเห็ได้ ขาหเฮาช่าก็มันดีเฮากับมี่รักท่าย็นได้ขัา่าดีชักตัวหน้เฮาก็เล็ก้นดีเฮาเทียยากแค่ไหงกันแต่ข้าหูช่ดีนี่มันเฮาแต่ยันเจอผนะกซ้อข้าวโพดจักสันติตะกอมัน่ไม่้าผู้จักเรขเสียไปเพิ่นบังคับไปยังเถเห็นหลวงปูก็หาป่วยพระป่วยเนแหละบังเตียงนูไหวในวัดขนเจ้าปูแล้วพวกกระถางก็อน่ะ เจ้าก็ไ all ปเอาไม้พระสันใช่ไหมาั่นพระสัรอาหารบันไหบักแต่งมาั่นพระจังหวัดเพิรมาส่แล้วเราจะไปสั้นเนี่ยพลาดใ่ไห้ซื้อคอนพร้อมมนบอกว่าสั่นไ่รอมา่าเพชรซัเพชรเนี่บอกว่าสั่น่อบอกว่าพี่กตีสอไดเรากลัวหาเข้าค <t akes assist> นเข้าเพืึอนเพื่อนหายเมฆกรรมฐานอันหนึ่งก็จะขอ ของปฏิสือผู้ใดเอยผู้ขายืมพูดโทษเจ้ามากปฏิกรรมแน่ของผู้ขาโเมี่สันของเมนบอของผู้ใดไม่อ ย, มยอมมัดครบวัดปบูลแล้วเป็นมนุษย์เทโว่เลยอ่ะมนุษย์ซาเปโตก็เป็น เ, เป็นมนุษย์เทโว่ตัวเรื่องใช้พระพุทธศาสนาขันห้อถ้าบุญเขาได้ร้ายพ้นจากขี้เลเป็นมนุษย์ สาอาหารโตคตัวบวสักับจะ่าข้ามีหน้าค้ามี่สวัดาหวานหนึ่งตัวพวกเราคนว่าเฮ็ดก็เฮ็ดไปัเถินเฮ็ดได้แต่ว่ได้ดกไม่ได้เป็นพระหัานดอกอ่ะครับัะ ได้สวรรค์กับพที่เอาจะาลงกมอเราพบกับสัตว์ี่สามนาฬิการันประสารตัวนึงมันจตะเกิดน้องแอนตี้รู้ไหเฮ็ดกินเฮ็ดข้าเฮ็ดขายเฮ่ดด้เฮ็ดใจแต่ว่าหางโป้งให้เราแต่หา้งใหก็ดีบ่ดีก็รักปิัติพรบัญญัตินย่างตก ถ้าไปเกิดในภพมรรคดีพอดีเสถันพัสดาบันดีพอดีเสถันสกทาข้าม่ดีพอดีเสัพระราคามี่ดีกอดีเสถันพระหันค์ผุ่น่ไมของคอยวัดิปมาวันว่าคนท่ก็ได้เมตตาเื่ากันเมตตาตนแลวตาพระเอกร้อสรงสำัญเราหังใจพอถึงที่ในงานิค่องสึงที่ทั้งใต่โลกธาตุจมเป็นซุปได้ความบริทัางประสงคทุกเมืองของขาดเทือนะ พูข่าทุกข์เกี่ยวันหอล่าไอ้ฮทุกข์เกีกันกับผู้ข่าเนี่ยพี่เราั่นกับวัตถิกัมย์โนกับะไดโยผู้เจริญเมตตาจิตเป็นสมาธิได้ง่ายไม่ได้ตายด้วยฟ้าผ่าไม่ได้ตายด้วยไฟช็อตโดยากความก็คือไม่ได้ตายตายโหงพู้เจริญเมตตามีอายุยู่ผู้เจริญพู้โทพภาว่ผู้โทคือกันก็ไม่หายตรงนพ้มนอบอกอย่งเงี้ยคอยบอกโอเกา เพราะมันเป็นอิทธิบาทเนี่ยแน่ตัวเนี้ยเป็นอิทธิบาทเข้าหน้แน่ตัวเนี่ยเจ้าเนี่ยมีนมันประกอบในกรรมถานที่ตั้งไว้เอาใจฟักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้มันตีตอในกรรมฐานที่ตั้งไว้ออกขโมยมันก็ร้ายแล้วร้ายก็สร้างอาหารลงมากไงอาหารลงมากแต่วว่ามาว่าวารอาหารลงมากคือตัวบอกนี่านมันก็นี่านเท่าเนี่ยหละ นิท่านดีกับเป็นเจือของคนนิท่านซัวกับเปเรือของคนนิท่านน้องเข้าเนี่ยเข้าดีเฮ็ดดีเข้าเฮ็ดตัวเเป็นนิท่านน้องเข้าบ้านนิท่านน้องคน่นนอยฟังคนแห้งแล้วก็พุทเจ้ากับเป็นนิท่านดีเพาแห้งปิญาต์สาวกอิดม้าหอดเมื่อนี่มันก็เป็นเรื่องอรเกลื่นกระมอมตัวผู้เข้าเข้ากระเท่าความดีเพิ่มไปนั่าตัว จัง เ, เวลาเขาจังเวลารีเวทเขาเวลาของบุคคลผู้มีสตกิ์เป็นเวลาที่มีคุ้นคาเวลาของบุคคลผู้ประมาทเป็นเวลาที่มีคุ้นคาเขาก็ททำเวลาให้มีคุ้นคาทาชีวิตให้มีคุ้นคาประจาวันว น, น, กกนั่นแหละกุศลคุ้นบุญห้ากแบงอ่นน้อมเสมอเสมอห้ากต่างน้มอมเสมอเสมอ ข้นึ่งไปใช้มันก็ว่าได้ขวงเครือค่องม้าขับมาขรร้าม เ, ลลเนี่ยหุยนึกฟุดโฟก็สิก็ว่าได้สิตั้งไข้หนุ่ยหรือว่าั่นว่าเหมือนขับมาขรร้ามแล้วนักสนุนอย่างน ข, งขงวางก็ต้องซึกงไปใช้กระไรนึกถึงข้ามที่เข้าเดียบรจาคแล้วก็ะไรนึกถึงกำลังเท่าคือบริการมันาก็ได้ไเกี่ยว่าจากขารลวสติเลยแลวนึกถึงสีที่เขารักษากเี่ยกวกัสีร่างแล้วสติให้กันแลวนึกถึงคุณพอ่อคุณแม่ ที่เป็นไม้พระคุณเขาเรียกว่าเทวตาโนตสติคือกันที่ทำบุคคให้เป็นเทวนาแล้วลึกถึงร่างกายของเขามันเต็มไปด้วยมุอดพูดมันเป็นไปด้วยน้ำเลือดน้ำน้องเจื่อกกตายักษาสติคือกันเน <It> ี่ยก็เป็นกุศลพ้นบุญทั้งนั้นขันว่าจะปล่อยเวรเชืแชงก้นกับเสีย่เสบกินเข้ากสียบเสบนอนกับเสียบรับฉ <win> ันบอกมูฮ่าวอะไร ข็ถามข้อว่างแนแล้วบอกเขาปล่อยเวทเช่นแทงเขาเขาแนวทางเขาโกลโกกอยู่ข้าเราเป็นบ้าอย่ผู้เดียวเขาหอนบ่หงักป่ายังแต่ว่าจะตัดเนื้อู่พี่ว่าจะซื้อคู่แต่ว่าอะไรอยู่สํานั่นแล้วว่าเหรอทองบนอยู่ข้อพ่อว่าข้อว่าเนี่ยราความร่ลมหายใจถอดหน้าไหนเงานอนหน้าไหนเงาแน่น้อน่าโทต พุทโธกพังเขานอนนะพระโมหรกพังนอนทั้งคัวก็พังนอนนอนยามนอนเขานอนรับข้าพุทโธเลยเออไปเกิดใช้กับแม่หลวงมันและตายก็ตายข้าพราชาพุทโธนะแม่ผู้ขาตายข้าพราชาพุทโธได้แม่ผู้ขาย่าแม่เอ้ยพุทโธพุทโธเอ้ยตามาเล้วเด้อโตเป็นพระย์สามัญเชื่อได้แบบกี่หกผมเป็นพระมหานิกายแบบที่ห แต่ท pues, ี่เก็แทัวจงหวยังตีที่แโยมเอ๋อพออ้้พ่อเอ้าคุกสอลมอได้รัตายครับาบนกินขาต่างิตกำลังขอหมูเห่าต่างจตบบเมืองคนรวยเ่ละพอนงานเนี่ละพอละ มันึกขั้นไหนหนึ่งเมองเนมากเลโอ้บ้านไอ้ซ่าเดี๋ยวนำร้องปูมาหาบริเวณท่าาสมากพระเขามาในวัดแล้วก็ซื้อตู้หลวงเช่งคับอันนี้กูจิเบียงอาหารสัวปูลเลยใต้บากแต่พระจะ่ระทัาเขาว่ามาทัดขาวาัดตรั้นตวน้องปูตัวมันใดญเขาใส่บาสในูปูจีเรียถึงทำไอ้ปูน่ะ ชีเป็นขอดีก็มั้งมาสั่งอืมอะไร ม, ไมือเท้าเนี่กยกรอะไรอาหารตั น, นี้มูโตปันในเ้าแล้วมาสังาคือถอดแม่เท่ามาสั่หเทาทิ้ทานในแม่เทาก็พอเทอาแม่เทาว่าไม่แขลวมาสั่ หารออนเน่ะฮ่หเขาจะหาบสวมมือและเาท่านหาอาแม่อาหนาขเอามุ่งกวนหเขาบเข้าอวไหลยเข้าไว้แน่น้อยเดียวนี่ังแล้วก็พ่อหาเหลือไว้แกับยดหน่อยผู้เฮงานท่านหาแม่สมมือแหลาท่านหาแม่หาพี่เคยหาพี่อ้ายเนี่ยหรือทัวท่านไต่โลกาดจะลามไปหมดไงล่ะบ้นเนี่ย พอจังไรจังว่าท่านนเตี้ยพออาโนนมาถามเขาองเก่าผลสินต้นชาเน่ยเข้าไม่น้อยอย่ะพอเม็ดเขาปวดพอไปอุทิศไทยใจโรกธานุะ้าข้าสิไใ้กินอี๋พระองค์ให้ไว้ท่นโอ้ ย, ยนยี่มันแข่งหลายายพออาโนนได้ไว้ท่น้เต็มเพฟ้าไปก้ินมันเอามั้งแ้ไม่วาจไไ้หรือท้องไม่น้อไปไปยพ อ, พอไปเข็นนึ่งก็ได้เต็มไปโรกทาตุขาอัาิดานหน เวลามองสัตวเาก็ได้ถืออันนั้นแล้วว่าอุาทิศกุศลพ้นบนญไม่เลิกได้ไม่เลิกได้พอดีขออทิศกุศ้นบุญให้แกทัวทั้งใส่โรคกาะถาทุทกเวาลาเราไมีสมาร์ท อ, อยากให้มีเร่องในไพ่แกกันแล้วกันนะสีพาวาน่าอะไรสีรับสีนอนพอดแีแล้วมือแล้วมือเนี่ต้องแบงใส่เลยแบงใส่คือปากกาเนี่ยนะ ก็มันอยู่ในมือเข้าอ่ะนั่อยู่ในกระเป๋าเข้าเพราะขีดเพรเขียนมันก็ไม่ประโยชน์เด้มันกระใสยหันเอ็งแรงงแรงเงินละเข้ากับมาขีดมาเขียนจะไม่ประโยชน์เลยมั้งนี้คือกันอันนี้เข้ากับชัวบนอุทิศเพราะทั้งไตโรคธาตุร้อนจัไม่อยากให้สองลายมันต้องไปเถืงกันเนาะขะเจ้าก็ได้กระร้างข้าเจ้ามันเป็นเรื่องของข้าเจ้าเรื่องเขาจิตให้สองมีมันจะได้ขั่งของนาทีฝนมันกระตกถึงนับกตกพวกจิต้องเอาว่ต้องเอากับเรื่องเรื่ของผู้ตงว่างหัน บอกท่นว่าทุกข่ายทั้งหมดวิทิตหายยุทธสูงเลยทั้งเลยท่านผลท่านผลเสลป์ผลพระวนาที่บุคคลเนี่ยทั้งมาตระกูลธาตุก็ดีทั้งทั้งไปโรกราถัต้องไ่รับส่วนตัวทงรองขาไปเจ้าท่านเชียร์อะไรทั้งพอทั้งแมีตะกอนอะั้งไม่ไปคุกันี่ทาเทียร์ทั่วทั้งไปโลกาะัดเป็นมัดรวบพรแมียจอยู่หน้านเยท่านเอาท่านเอาหมดพิธาะไม่นเสวก็การให้นส่วนบน เดวว่าถาบุญเดี๋ยวอุทิศเดี๋ยวปฏิท่าทำไมมันจะเสร็จน้วยการถบุญการถ้าบุนมันนี่โธาทำไมมันจาเสร็จด้อการบริกรรมผีทำไมมันจะเสร็จด้วการรักษาศีลภาวนาทำไมมันจะเสร็จด้การเจริญภาวนาพระปกรทำไมมันจะเสร็จด้วการบุญขอบคุณผู้ใหญ่เวียร์ว่าทำไมมันจะเร็จด้วยการเจริญป่วยที่ชิดชอบพราที่การมันจะเสร็จดการให้บุญ พักการ์โนโมธนาเวรมุสลิมเทศการโนโมธนาส่วนบุญในยิ่งข่าวคนทั่บนโอ้ยชาตุชาตุมนตรีหรือคนใน้งมือโอ้ยชาตุมีใจน้อมานต้องการในบุญทำเนี่ยเพาะปรานโมธนาไม่เพราะประานโมธนาส่วนบุญธรรมมัดตัวนีไปมุสลิมเทศการทำทั้งเอาความเข้าไปบุญว่าเนี่ยธรรมเทศาเวรมุสลิมเทการเทียนคบุญโอเคบุญ ก็เลยบุญรัชพันธ์างธรรมนันนงพิชนาติให้อะไรเป็นทางเขาไม่ชองให้ทำไปให้ทำเป็นทาให้ทำเป็นทางชสารกัูอ่ะเาอะรบุญเจ้าสมุเอะไรบเมุทรเขาบุญจวนเนียเป็นบุกองน่งเกองนนโดินั่งก็ยื่นรุดเกินเกินไปเป็นบุญกองจะดีนาที่ทำและทำผู้พูดและทำผูน ท the the to ่าเป็ท er ี่เื้นของเจ้าของสติจักรการและท่านผู้พูดแสดงมาหน้าใครสติจักรการที่ทำทําทำในพูดแสดงนี่สติแต่เป็นที่บื้งของข้อศีลปัญญาท่านรู้ในกองสาขาตามเป็นจริงอย่างไรอันนี้ก็าเป็นที่พื้นขาถ้ารู้ตามในกองสาขาตามเป็นจริงอย่างไรความหมายความว่ากองสาขาต่างหาย เปิดขึนแนบไปก็แนบแหนบรายเป็นทุกขันอันนี้การอันนั้นราเรียกว่ารูปก็รูปในกองสถานการณ์ิงอันนี้วบบเป็นที่คนมั่งกระผมเลยนะควับสมมุติมันรูปไงสมมุติว่าหลอกหนังออกมันรูปเนเอ้าเราต้องออกพัดจุกกระหาวมีแนบแนบแนอานุกัได้เนาะสมมุติมันลอกหนังออกพัดุกกระหน่ได้เนี่ยหนังลอกหนังออกคึ้กบ เริ่มมามัดขบก็คือคมหือเฉียวว่าเนียมันเฉียวเอาว่าเหนไหมนะท่านครัาใสอว่าคล้องข้อบนรูโม่ห้องสมูรสมบูรณ์เพราท่นครับสมมติกระทะกระดูกวัดโม่ห้าเนี่ยเต็มเลยอาบ้าก็ฟังดีเลย แสิากรจริงๆไงเต่มือนอย่านี้สมมติเป็นลูกห้ออ๋อสมมติมเป็นสี่ดินลูกหองหรือไม่ห้อเพียนจับัสมนตินก็ไ่เนคนเดลกเนาะสมมติเป็นหน้าเขา้ยพราะว่าอยากทราบหน้าเรคนมหน้าเปื้นต็มเลยอ๋ สมมตถิถากส้เอบเนียเอาะ เ, เ, เนี่ว่อนลบเอาสมมติถากรอบนั้นลูกสาหนาักนะสมมติจะเป็นห้างกระดูกข้อร่างธน า, าสมตามติสาวใส่ห้อาพ้อมั่งลูใส่ขั้นมนอายุทั้นอยยุข้อหอยเลยขั้นอยายว่าหนักของมองูอห้อย ข่าปใสก็ทุกคนอได้ยังไงขาดใสกะลอยจะแรงยังไงกันข่าใสจะรอยจะแรงยังไงบ้างที่ใสที่ว่าท่านที่ห้าว่าได้ขาปมันมีที่เวทขนได้ทบไปทบมาให้นลไม่ใส่น้อยละเดียวใส่ให้แล้วอันน้รับใสเลยนะ้านี้ข้านร่างนั่เวืาอป้องข้าหนี ถ้าทายองเขก็บริขบ ala เกือยอะไรนี่แต่พี่แก้วมันอะเข้าไปในตีงคนนอนขบ ala แม่บอกทาย่องอนสักตม่าทายเราคือปส่อททายเป็นน้ำใส่แตงกีโมระถ้าในกินของม่็มันจะรอนนอเข้าไเขาก็บริเอาเด็กบริได้นี่มีคนเด็กน้อยเข้าไปฟอกสบู่ยังไงอ่ะมันจะไปในไหนแต่เราแค่ไปเข้น่ะนะนะ นี่หามรอเออเข้ากับ น, นอดนสาวเข้ากับ น, นอดสาววิปัสานี่ตัวเขา้ากับนันวิปัสสานี่น ข, ขนมาป๊อกกับันเียนกับันเนี้ยก็ปันเดือดเนี่ท่องเขานี่หมูหมาเป็ดไก่เขาเห็นเตือนไกนน่ข า, าเาข้าไปยันห้ันว่ย่อไปข้ามาเพาะพาระมีเจอ น, น, นะ มาสียุ่นโลกมาดมมั้วยของคนแรกพ่อาผมเองมือหนมือนีมือนีเข้ามาจบมาดมมด้วยมาเรียกด้วยของจะหน่อยขี้เลี้ยดดีสุดจะหน่อยเลี้ยดขี้กเต้นเสรแล้วขอเลี้ยเรียดผู้ทายขอามันก็คือเรี้ยดเท่าไรแดึอีกเพระน่าขายเลี้กดผู้ชายเรียดเท่าไหนจะยากแต่ผเอาโน้ดัง น้องตาจุกขวดออกงั้นรึขวดทิมไหเอ้าเอาว่วจะตางหนึ่งมันก็เป็นผู้เอกตอนนี้ขวดอันนี้ทิมหยีบวัวถ้าไม่รับก็ปล่อขวดทิมไปได้ได้ล่อยเลยแคกสุดไเน้ยเน้ยแมันย่ล้ยอมดตัวรู้อสมุดว่ารัดขาออกขวดทิมเพื่อรัดขาผม เขาปีนหลังนั้นกรทุ้ควงขึ้มันยันจะไปแนมแนมซึ่มั น, นยั่งเนนี่มันจะเป็นลักษณะแคไหเอถ้าจะเอาเหยื่าแช่สีควองคออกคือควงไก่ไอ้พวกนูมันจะเป็นยังไงเออตัวหน้าพวกนอันนี้มันเป็นเครื่องตัดอยอดราคาขึ้นขนาดพวกนี้อันนี้แกหาคือผมนะี้แหละตายรตามมั ตัวมาันา้าาปอน่งหนหนงฝั่งพามันมันคือขัคือป่านขําขนเอาขนขนดังขนรักแร้มันอยู่จังไรพี่หน้ามันพระมหาคาปานัน พี่ชนาเตะตีนขึ้นมาหาหัวพิ่ชณะตะหัวลงมาหาตีนหน้าพัศกาพิรันนีก็คือกันดูว่าจะทนหรืเป็นอารมณ์ยังไม่ันคนสาเร็จพระอรหันต์แต่ขานะาปฏิสัมมิทีผู้ใดประกาศผู้ผู้ใดประมาทกายยัตาสติตผู้นั้นก็ประมาทพระนพ่านร่วมว่าร่วมกระทางให้พณ่ชนะมันเป็นเครื่องนาย มาแต่ว่าจะไปรวบจริงๆอยู่กับรถระบะอกรวบมาร่วบอาซางเหมพี่หน้าให้เป็นข้างนายเป็นมาสับเครื่อ น, น, าานถอนเข้ากา ข, าข้าเข่าใจพิษเข้าเข้าใจพิษเนี่ยมันมีอายุซีขอเด้สิ่งไหนมันบำมันมาเที่ยงเข้ากับสามั้นอวมันมันมาเที่ยงคือสะกดร่างกายคือดังหูอยู่นี่สิ่งไหนมันเป็นทุกข์เข้าขมกกาทํกกามขั้นอวมันเป็นสุขคือสะกดร่กายสะกดหน้าใจนี้อ๋อสิ่งไหนมัน บสสวยบางามเอาขอ้าศัพั้เอามันสวยมางงามคือหนังหมอย่นีเอาสิ่งไหนมัน่เป็นตัวเป็นตนเอาขาศัพัเอาเป็นตัวเป็นตนคือหนังหูอย่นีเอาผมเก่าออกซะขนเก่าออกซะเลบเก่าออกซะฟันเกออกซะหนังก็ออกซะเนื้อเก่าออกซะเอ็นเก่าออกซะดินเก่าออกซะเนี่ยนะผมขนลบ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อในกระดูกมามหัวใจตับปอดใส่ไงใส่น้อยอาหารใม่กินลงไปอาหารเกา่านอนท้องทายบเบิดนี่เป็นถาดดินเดี๋ยวมากองมานี้ใช่ไหมถาดดินเนี่ยเอ า, า, นามมนเนี่ยอ้าวถ้าหน้ามันหน้าดี เป็นฟักก็ไตตับที่ว่าเป็นฟักัไหลซึมสาบอยู่ในสกกรกกายของเขาเนี่ยน้ำเสล่ <me> nee <man> น้ำเสล็งขังเป็นม่วงม่วอยู่ในนีข้าวกิอาหารลามันก็ม้วนยกน้ำเสล็นี่น้ำเสล็จจบแล้วหละมันปิดั๊บปิั๊บปปัปิปั๊บเน่ยคือข้าวจุกวดจอกน่ะเขาว่างเมื่อรมันก็ปิดปั๊บปั๊บปิป๊บปิดปั๊บปิป๊บปั๊บกันไม่มื่อน้ำเสล็งขังอยู่ในนี้นี่ยมือเขาอยู่ในอยู่แล้กันเมื่งไรดนี่ยเหม็นขุ็ดมัน ปิดกินปฏิกูลไร่รังเป็นยุมงง่วงข้อหอยเศษน้ำเศษน้ำน้องน้าสีระบาดแผลน้าเลือดไม่ซองยางเลือดอันนึงตั้งถั่วมาาหัวใจและตับปอดอยู่ไหลซึมสาบลงไปในหัวใจและทับและปอดเท่าหน่อยและหน่อยเหยมือนน้ำขังจางๆอันซุมมันเป็นก้อนมันดําก็นั่นมันแดงก็นั่นอันเหรอเหรอเป็นไรถ้าผมโคนแล้วฟันอะมันเป็นของแข็งใช่ น้ำน้องไม่อยู่ในทีระบาดแผลน้องเลือดน้ำมันคนนี่นำ้ำจะง่อยตาและฟ้ามือหลังมือหลังเท่าหลังตีนน้ำตาไหล อ, ออกมาคุ้มตาทั้งสองในเวลาเข้าร้องไห้ในเวลายังมาทั้งตาหรือเก็บตาเรียงตาอย่างก็ดีหรือมีแนวกระทบกระเทือนหรืเงี้ยข้อตาอหรือในเวลาเข้าร้องไห้หรื อ, ตต อ, ว อ, อเวลาเข้าไ ห, ห, ห, ห, ห้สื่อสื่ออื่นก็ดี น้ำตาไหลออกมาจากคุ้มตาทั้งสองน้ำตา mm hmm. เปลวมันเปลวมันเนี่ยคือสีอยู่ในในในลําไส้คื อ, อน้าลายน้าลายไห ล, หลออกมาจากไตรินมาขังอยู่ในกระพุ้งแก้มทั้งสองน้ามูกไหลออกมาทั้งนี้ทั้งหัวห้อยล่องมาเนี่ยมาหาดัง น้ำไข่ขอน้ำคอกระดูของโม่เฮาน้ำมูดก็ออกจากอาหารไม่เป็นที่อยู่ของปัสวะนี่เอามาไว้สร้า ง, งนกองนี่นี่ถัดดินนี่ถัดน้ํำนี่เอาเอาอกมาไว้นี้ถาดไฟันี่ไฟที่ยังไกายอุ่นๆไฟที่ยังกายสุดโซมไฟที่ยังกาย ก, ากวนก็วาดไฟที่เผาอาหารให้ย่อยเอาเอามาไว้นี้สร้างเอาถัดไฟ ลมลมพัดขึ้นว้างบนล้มหาวล้มเลอลมอ้วกลมไอลมจามลมพัดขึ้นว่องบนลมพะโล่งว่างตหองกับหายลมผายลมออกข้าวเาหยามๆว่าขาตดออกเลยน ข้อทายปัวะมันก็ร่มดันลงวมเท่กันถ้าเกิดนี่กัเนื่ยรมพันล่มบังต่ำข้อทายอุจจาระก็ร่มดันลงคือกันดันล่มทั้งต่าเห็มันจังออกมาน่ะร่มในท้องนอกใส่ร่มในใส่ริ่มพัดไปตามตัวน้ําเส้นน้าเอ็นร่วมหายใจเข่าร่วมหายใจออกนี่ถัดร่วมนี่กับดินนี่ก็บกองดินนี่ก็บกองน้ํา นี่ก็กองไฟนี่ก็กองดินกองน้ำนี่ก็กองไฟนี่กกองล้ม <c oughs> เอาข้นวุ้ยใส่หรอไง น, นี่ยกองเม็ดหลอข้นโมมี่เนี่ยกออกนะคนโมมี่ได้บ่เนี้ยนี่เพิรนว่าว่ามันตัวมันตัวนะเนี่ยกออกแล้วด้วคือกุฏิวิหารละมาออกมาแลกกับโมมี่ะมาออกมาเข้า่ากุฏิวิหารกับโมมี อันนี้ก็เป็นพาวนาอันหนึ่งเพระน้าภูรีพภะวนาอันนี้จังทีอะไรแล้วนั่นสีนีปังญามากสีว่าสีว่าอยาก้องหักหัวหักง่ามป่านนี้ล่ะพ่อแยกออกแล้วเด้ยแต่กระจายเนี่ยธาตุทั้งสีอนี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมอะไรนี่ล้วค้นตัวเฮาอยู่ท้ายหลังเข้ามาเฮาเาเมื่อทิงมือนี่มาผสมกันก็เลยสมุดเข้าเ้าเนาะอ๋อท่านวะอันนี้ต่อไปนี้มัน่มันยังงเ่มันเพ่เศาแล้วเ่ ว่ามันเสมวงหนึ่งหรอเ่าน้อเออมันเมอเรอยอะไรเนี่รายบอกสมวนหนึห่งมนอ้ออย่าถามว่าดีว่าพุาราณรีสโบราณทีสาคารา เอวามวายูโตที่นั่งเปถานังอุปการปฏิปิฏฐังปฏิตังตุมหังเกวามีวัสมิจฉตุสภีภูเรียนตุสังกปาจันโทปนารโสยถาไิโชตีรโสยถาสภีติโอยวัชันตสัพปทุโคสัพพโยสัพพโลภเวนัสสัตุมาเตภวัตตวันตระยโยสุขีที่ขายโกตวะอภิวาสนาสีลิสานิจังวุฒาปชา ยโนจตารโอธมาวัฏฐันเตอายวโนสุขังพระรังเตอัฏารตาสกตารุนหาพุทธสาเสนโลคาสกิตาโหทะสหสเพยาตีภีนี่หมายความ่าทั้งเพศญิงทั้งเพศชายจงภากันเป็นสุกในวันพุทธสาสนะเถิดวางสันออกอ่เป็นศุกร์เป็นศุกร์เอานี้เนาะ มือนี้ลงมาเนียสามเท่าละมือเนี้ยอะมือก็สืเรื่องมาใกล้สตายก็มาว่านนี่เนอะมือไปแทงใกล้ไปอีกอัศวินใจยับเขายับเข่ายับเข่ามาถอยได้บาเนี่ยเออค่อนใจยับเข่ายับเขายุไปโดนแทงใกล้ค่อนใจอ่ะอันสำรับผู้ขานี่เหมือนมดหวังเลยเนี่มีตเกียมตัวตายซะเนี่ยมือคนมูอพี่น้องได้มูอพี่น้องยังนุ่มอยู่เนี่ย ยังมีไวหวนุม่มอยู่นี่อันนี้มันไหวแปดสิบะมิได้เกี่ยมตัวตายได้เดียวเนี่ยฮะอาไหวมา้นม่มนซื้อได้เดียวเนี่ยอ่าว่าใิมเพิ่นนมนํางพอไปาไ ด, ไดเดเนี่ย <c oughs> มาที่เกี่ยมตัวตายเท่านั้นเดยเนี่ยตัวตะโงด์สังโค